ผูทัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่รบค่ะรายการสันสนาสนทนานะคะที่ฉันสันส น, นาคพงเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านฟังกันแล้วนะคะทางสถานีวิทยุเอฟมครอบครัวข่าวร้อยหกค่ะไปกราบน้มัสการพระอาจารย์ไพล์บุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งเป็นผู้ที่จะมาให้ธรรมะกับพวกเราเป็นประจำทุกวันกันเลยนะคะกราบน้มัสการกันท่ค่ะเจริญบานค่ ะ, บบคะท่นใกล้ๆ ปลายปีเนี่ยมปรากฏการณ์นี้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดอีกเกิดแล้วจริงๆปลายปีก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่เขาเกิดเหตุการณ์นี้แต่ว่าอ่าบางครั้งก็เกิดในห่วงเวลาอื่นๆด้วยเช่นอเวลาที่มีเหตุการณ์บ้านเมืองอืมที่ทําให้งงงวยไม่รู้ว่าจะพยากรณ์อนาคต ของบ้านเมืองที่เราเกี่ยวข้องอย่างไรดีก็ไปถามหมอดูนะคะอ อ, อย่างปีใหม่นี่ก็เหมือนกันทดิฉันก็เห็นเริ่มเริมแล้วนัว่นสิพิมก็ลงว่าโหนคนนั้นโหนคนนี้ทำนายอย่างนี้อย่างนั้นอบางคนก็ทำนายเกี่ยวกับเรื่องการมุงการเมืองนะคะอถึงคิดว่าการให้สติต้องให้เป็นระยะมุมมองของพระพุทธศาสนากับเรื่องเหล่านี้ท่านควรเป็นอย่างไรคะพระพุทธเจ้าก็ทำนายไว้หลายอย่างเนี่ยคือการทํานายของพระพุทธเจ้านั่นก็คือการที่บัญญัติธรรมะนั่นเอง นะเช่นว่าถ้าคนมีผัสสะนะเขาก็จะต้องมีเวทนาบางทีมีภัษาอาจจะเกิดตัณหาด้วยมีภาษาะจะเกิดสัญญาก็มีนะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำนายเอาไว้ <Okay. S 1> ก็คือพยากรณ์เอาไว้ เ, เพราะฉะนั้นถามว่าเราพยากรณ์เนี่ยก็ต้องดูว่าสิ่งที่พยากรณ์นั้นมันเป็นอากาลิโกไหมนะ <Okay. S 1> อากาลิโกเนี่ยคือมันใช้ได้ตรงจริงตลอดกาลนะซึ่งความสามารถตรงนี้พระพุทธเจ้ามีในการที่จะ พยากรเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้มันใช้ได้ตรงจริงตลอดการเช่นคนที่มีศีเอ้นก็จะมีความไม่ร้อนใจอันนี้พยากรไว้ให้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ได้ตลอดการดฉะนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องใดที่เป็นคําพยากรณ์เราก็ต้องดูพิจารณาตรงนี้ด้วยว่ามันมีคุณสมบัติของความเป็นอากาลิโกไหมมันมีคุณสมบัติของการที่พิสูจน์ได้ไหมมีคุณสมบัติของการที่เชิญคนอื่นเข้ามาดูมารู้ได้ไหม เนี่ยก็คือมีคุณสมบัติของความเป็นธรรมะหรือไม่นั่ น, นี่อ๋อค่ะนะคะอันนี้ถึงจะถือว่าเป็นการประกันว่าเราจะไม่ถูกอมองเมาหรือฉันใช้คานี้ได้ไคะ่ะคือคือถ้าถ้าเป็นอย่างอื่นนะถ้าเป็นอย่างอื่นนะที่ที่ไม่ใช่กรณีของพระธรรมเนี่ยมันก็จะมีความไม่เที่ยงมันก็จะมีความเปลียปล่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เหมือนกับ ก็มันปรากฏขึ้นแล้วบนโลกใบนี้ในสภาพแวดล้อมของเราตาหูเราไปได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ฟังเอาไว้แต่ว่าฟังแบบแบบแบบมีธรรมะก็คือจะต้องเห็นความไม่เที่ยงไปด้วยนะว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงได้เหมือนกันนะอย่างงี้ค่ะนะครับบนโลกใบนี้เราก็จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะตราบใดที่เรามีตาหู จมูกลิ้นกายใจก็ได้ใช่ใช่ซึ่งตรงเนี้เรื่องที่เขาพัญากรณ์เรื่องปีใหม่เรื่องปีเก่าอากาศร้อนอากาศเย็นพวกนี้เป็นเป็นขันหน้าทั้งสิ้นเลยนะเป็นขันหน้าทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเพราะว่าพระเจ้าพูดถึงว่าทุกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นใดก็ตามเนี่ยมันจะมาสรุปรวมอยู่ในขันหน้าทั้งสิ้น ค, คุณจะแต่งงานคุณจะเลิกกันคุณจะกินอาหารอร่อยไม่อร่อยพวกนี้คือขันหน้าทั้งสิ้นมีขันหน้อยู่ในนี้หมดทั้งสิ้นงั้นวันนี้เราก็คงจะต้องทําความเข้าใจในเรื่อง ขันห้าที่ท่านว่าให้มากขึ้นอีกหน่อยดีไหมคะได้ไ ด, ได้ขันห้าเนี่ยถ้าเราจะพูดแล้วมันคือทุกอย่างที่เราอยู่เตรงนี้เลยคุณเดินไปทํางานคุณขับรถคุณมีขันห้าทั้งสิน้นคุณพูดกับคนนั้นคุณประชุมไม่ว่าจะเรื่องธรรมะเรื่องไม่ธรรมะคุณด่ากันคุณมีเมตตาให้กันในขันห้าทั้งสิ้นเลยขันห้าอย่างใดกันะจะเพราะว่าเอาอย่างนี้สมมุติเอาทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้นะที่อาจมาพูดมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเนี่ย เอามาแยกส่วนกันให้ให้ตกตังส่วนไหนที่มีของเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันเอามารวมกันส่วนหนึ่งอ่ารวมๆกันไวนะ้เราก็จะได้เอาของที่มีเป็นของแข็งของเหลวกา๊าซของที่มันแตกสลายได้เป็นธาตสีดินน้ำไฟลมมากอ ง, กองๆรวมกันไว้กองหนึ่งอันนี้เรียกว่ากองรูปนะคําว่ากองนี่คือขันนะขันแปลว่ากองนะกองรูปส่วนไหนที่เป็นเรื่องของความรู้สึกอย่างเช่นเรามีรู้สึก รู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกไม่ใช่ทุกข์กไม่ใช่สุขเอาความรู้สึกตรงนี้เนะไม่ว่าจะในเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่มากองๆองรวมกันอันนี้เรากองเวทนาหรือเวทนาขั น, นแล้วเอาเจ้าพวกที่เป็นาการรับรู้เราเรามีการรับรู้ทางตาทางหูทางเสียงรับรู้ในเรื่องอดีตนาคตพวกนี้เรามากองๆรวมกันอันนี้เรากองวิญญาณหรวิญญาณขั น, นแล้วเราก็เอาสิ่งที่เป็นความหมายรู้ เดเช่นเราฟังตรงนี้อ้าวคุณหมายรู้ได้ว่านี่เป็นภาษาไทยนะคุณหมายรู้ได้ว่าอันนี้เป็นความเป็นผู้ชายนี้เป็นผู้หญิงนะอันนี้ความหมายรู้ตรงนี้เรียกว่าเป็นสัญญาไหเอาสิ่งที่มารวมรวมกันอันนี้มากองกองรวมกันเียกว่าเป็นสัญญาขันนเราเอเรื่องที่มันเป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากแบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเอาการเปลี่ยนแปลงการปรุงแต่งตรงนี้มารวมรวมกันเียว่าสังขารขันไหเราจะแบ่งได้แค่5้ากอง นะ้ทำไมต้องแบ่งอย่างนี้คุณโยมเติว๋วเพราะว่าถ้าไม่แบ่งอย่างงี้นะเราจะงงมากความทุกข์เนี่ยมีได้เป็นอนเนกปริยายในะอดีตอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นอีกอะโอ้โหใครจะไปพยากรณ์ได้ว่ามันจะมีแท็บเล็ตรุ่นไหนขึ้นมาใช่ไหมพวกนี้เป็นความทุกข์ังสิน้นถ้าเราไม่แบ่งโดยลักษณะของคันห้าเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทำเป็นอาการลิโกได้เนะเราจะไม่สามารถที่จะมาอธิบายทําความเข้าใจกับมันได้เลยเพราะว่าของที่มันยังไม่มีมันก็จะมีมา พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับเอาสัตว์ทะเลเนี่ยนะเอาเอาสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนี่ยถ้าคุณจะเอามาเสียบด้วยเครื่องเสียบเอาเครื่องเสียบมาจากไหนก็ตัดป่ามาทั้งหมดทั่วชมบูทวีปมาทําเป็นเครื่องเสียบเสียบสัต์ใหญ่ๆด้วยเครื่องเสียบขนาดใหญ่เสียบสัตว์ขนาดเล็กๆด้วยเครื่องเสียบขนาดเล็กเสียบจนกระทั่งเครื่องเสียบหมดแล้วเนี่ยสัตว์ในทะเลยังไม่หมดเลยอันนี้คือเพราะว่าตัวมันเล็กมันมีหลายอย่างอันนี้เปรียบเทียบกับความทุกว่า มันมีมากมายอริยสัจสเนี่ยถ้าจะอธิบายเนี่ยได้เป็นอนเนกปริยายแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นะแล้วถ้าจะรวมลงเอารูปพูดถึงขันห้าพอแต่ปราะฉะนั้นคําว่าขันห้าเนี่ยจึงรวบรวมไอ้พวกนี้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยเพื่อให้อะไรเพื่อให้เราเกิดทําการทําความเข้าใจได้ค่นะเพราะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครพูดเรื่องขันห้าขึ้นมามันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เราอยู่เนี่ยคุณไปห้องน้ำเหรอนั่นคุณมีขันห้าคุณกินข้าวใช่ไหมนั่นมีขันหน้า คุณขับรถนะนั่นมีกันห้าอยูตรงนั้นค่ะนะมันอยู่ตรงนั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเดิฉันว่าพระพุทโธองค์ในทรงมีปัญญาที่เฉียบแหลมมากนะคะใช่สามารถแบ่งได้เป็นห้ากองโอ้แน่นอนเพราะว่าเดิฉันเคยคิดตามนะคะท่านคะว่าในเมื่ออย่างที่พระพุทโธงตรัสแล้วท่านพไบรณ์เอามาเล่าต่อเนี่ยว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นขันห้าใช่ตอนแรกเคยเถียงนะคะไม่จริงหรอกบางอย่างก็ไม่ใช่ เกือยายคิดให้ไม่ใช่อ่ามีไหมท่านฟังลองคิดนะคะสมมุติสมมุติสมมติสมมติอ่ะถ้าจะมีสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่การท้าที่คุณอยู่กับมันตอนนี้ค่ะคุณจะคิดไม่ได้เลยมันไม่มีคําตอบคือไม่มีบอกว่าเอ่อสมมติโต๊ก็อีอ่ะดิฉันกําลังดิฉันกำลังคิดถึงเรื่องไปเที่ยวกงีแต่เรื่องเบาๆนะคะอ่าไปเที่ยวหลวงพ่บางดีจังเลยขันห้าอยู่ตรงไหนกันนะถ้าเรามีเอาอะไรไปเราไกลของเราไปใช่ไหมนี่มีรูปแน่นอนค่ะ คุณมีความรู้สึกที่เป็นสูงกับเบามีนะอันนี้ต้องเป็นเบตนาแน่นอนแต่คุณเห็นเนี่ยเอาอะไรเห็นเอาตาเห็นถูกไหมตาเห็นอจิตต้องไปเข้าไปรับรู้นะมีวิญญาณการรับรู้นี่ต้องมีวิญญาณกันแน่นอนแต่แล้วคุณจะรับรู้ได้ไงว่านี่อากาศเย็นอากาศ ร, ร้อนการที่เราหมายรู้ตรงนี้ได้ก็เป็นสัญญานะแต่หนูเบาบางมันเย็นแต่อีกตอนหนึ่งมันร้อนหรือ ว, ว่าการที่เราเที่ยวจากที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวที่นั่นนี่มีการปรุงแต่งหลังสิ่งก็เป็นสังขารนะอยู่ในนี้เลย คะ่ะแม้ว่าแม้ว่าในสมาธิที่เราปฏิบัติธรรมก็ยังมีขันหนานะคือคืออันนี้อามาต้องไฮไลท์ไปนิดหนึ่งว่ามันจะมีเหลือแค่สี่ขันอยู่ตอนที่คุณมีรูปสัญญาสมาบัติต น, น, นเองแต่โดยปกติใช้ชีวิตจำวันของเราเนี่ยยังไงมันต้องมีห้าขันแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้ท่านทวนอีกครั้งได้ไหมคะเพื่อที่ท่านทั้งหลายได้ไปทำการบ้าน เผื่อจะนึกเถียงอยู่ในใจแบบที่ที่ฉันเคยนึกเถียงมาบ้างะนะคะ <c oughs> ว่าเราเจ๋งกว่านะเรารู้ว่ามันต้องมีในโลกนี้พระเจ้าจะไปรู้หมดได้ยังไงว่า5อันเท่านี้5้ากองเท่านี้จะรวมเข้าไปได้ทั้งหมดทั้งโลกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ท่านทบทวน ไ, นได้ไหมครับกองแรกถ้าเราเอาสิ่งที่เราเจอเจอในชีวิตของเราม า, ารวบรวมกันใไหนเหมือนการเอามากองกอรวมกันไว้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่เป็นแตกสลายได้ เป็นธาตุสดินน้ำไฟลมอันนี้มากองรวมกันเรียก ว, ว่ากองรูปคือรูปขันค่ะเ <Okay. S 1> นี่ส่วนที่2เราไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เพราะอะไรเนีก็ต้องมีไอสิ่งที่ไปรับรู้ใช่ไหมการ <Okay. S 1> รับรู้ผ่านทางตาผ่านทางหูพวกเนี้ยเอามากองๆองรวมกันนี่ยเรียกว่าวิญญาณขันกองวิญญาณเ <Okay. S 1> นรับรู้อะไรบ้างนอกจากรูปเราก็รับรู้ความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างความรู้สึกเป็นทุกข์บ้าง อะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในเหตุการณ์ต่างๆใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งคุณเอามากองๆรวมกันไว้อันนี้เรียกว่ากองเวทนาหรือเวทนาขันแล้วไอ้ความหมายรู้เช่นคุณหมายรู้สีเขียวสีแดงฝนตกฝนไม่ตกร้อนเย็นพวกนี้แลวเสียงภาษาพูดใดๆเนี่เรียกว่าเป็นเอามากององรวมกันกองหนึ่งอันนี้เรียกว่ากองสัญญาหรือสัญญาขันแล้วไอ้ส่วนที่เป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจาก สีแดงเป็นสีเหลืองเปลี่ยนแปลงจากที่นั่นเป็นที่นี่เปลี่ยนแปลงจากดีเป็นนาโคตเนี่ยพวกนี้เป็นสังขารขันเนี่ยเรียกว่ากองสังขารมีห้ากองแค่นี้เท่านั้นเองนะคะทานฟังก็ลองไปคิดตามกันละกันว่าสรุปแล้วท่านได้พบไหมว่ามีบางอย่างที่ไม่อยู่ในห้ากองนี้ถ้าพบแล้วเราต้องติดต่อกันนะคะใช่เพื่อที่จะมาเฉลยว่าที่ท่านคิดว่า ท่านเจ๋งกว่าท่านเจอแล้วไม่ใช่ห้ากองนี้ จ, <ะ S 1> จริงจะต้อ ง, ยอยงต้องมีการทำความเข้าใจนิดหนึ่งค่ ะ, ะ, ะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพอรู้แล้วละ่ะว่ามีอยู่ห้ากองนี้จะเกิดประโยชน์กับเราทั้งหลายอย่างไรคะท่านค ะ, ะสิ่งที่พอเราทำความเข้าใจว่าไอ้เจ้าขันห้ามันมีอยู่ตรงนี้แล้วเอมันคือมันมีจำนวนที่เราสามารถที่จะทำงานได้ล่ะรู้แล้วว่ามีจำกัดจานวนอยู่เท่านี้ตรงนี้เท่า น, นั้นเอง นะสิ่งต่อไปที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องกนันนาก็คือเอ๊มันเกิดมาจากอะไรนะ่ะมันเกิดมาจากอะไรทําไมเราเป็นสุขบ้างเราเป็นทุกข์บ้างก็ตามไอ้พวกเนี้แหละตามไอ้หกองนี้นะ่ะสิ่งที่ที่เราต้องทราบก็คือมันมาจากอะไรก่อนค่ะนะ่ะอย่างเช่นรูปนะรูปมาจากไหนรูปมาจากธนะาตุสี่ะธาตุสดินน้ําไฟลมนี่แหละจะเป็นตัวที่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมาเป็นคอมพิวเตอร์เป็นกายของเราเอา่าเป็นตึกรังบ้านช่องในเป็นธะาตุสดินน้าไฟลมอยู่ในนี้นะ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าธาตุสนี่แหละเป็นเหตุเหตุเป็นดั่เกิดของรูปเนื้ส่วนเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้มีเหตุเกิดมาจากผัสสะมีผัสสะแล้วจึงมีเวทนามีผัสสะแล้วจึงมีสัญญามีผัสสะแล้วจึงมีสังขารสามอย่างนี้มีเหตุเกิดแบบเดียวกันคือผัสสะเนื้ส่วนเรื่องของวิญญาณในคือการรับรู้นการรับรู้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีนามรูป ในมีนามรูปเ ก, กิดขึ้นมาจึงมีวิญญาณ ร, ารู้แล้วยังไงล่ะรู้แล้วยังไงคือเราจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องของขันทั้ง5เพราะเราอยู่กับมันตลอดนะเราอยู่กับมันตลอดเราจึงต้องทําความเข้าใจเรื่องกันหน้าว่าขันท้าเนี่ยมันเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีนะมันเปลี่ยนแปลงได้มันมีความไม่เที่ยงแนะมันไม่เที่ยงตรงไหนเพราะว่าอย่างถ้าสมมุติเราพูดถึงรถยนต์นะคุณโยมดิวรถยนต์รถยนต์เนี่ย มันเป็นรถยนต์ก็ไม่ได้มันก็มันมีประตูมีเครื่องยนต์มีอย่างรถยนต์มีหลังคามีเบาะ อ, อะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเราเอาสิ่งพวกนี้ออกเราเอาสิ่งพวกนี้ออกเราอย่างรถยนต์น อ, อกเราประตูออกเราเครื่องยนต์ออกเรากระโปรงหน้ากระโปรงหลังเอาเบาะ อ, อะไรต่างๆออกณออกหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งไหนที่มันเหมือนเหมือนกันก็แบ่งด้วยกันนเะช่นแก้วก็เอาไว้ส่วนหนึ่งหนังก็ไว้ส่วนหนึ่งเหล็กก็ไว้ส่วนหนึ่งความเป็นรถยนต์เนี่ยจะหายไปทันที แต่มันก็จะเหลือเป็นไรอันนี้มันเป็นเหล็กนี่ยคุณจะบอกได้ไงว่า เ, เป็นรถยนต์อันนี้เป็นยางคุณจะบอกได้ไงว่าเป็นรถยนต์เพราะว่ารถยนต์เนี่ยความเป็นรถยนต์เนี่ยมันปรากฏขึ้นเฉพาะชั่วเวลาหนึ่งที่มัมีอุปกรณ์พวกนี้มันประกอบกันอยู่แต่พออุ <kidding S 1> ปรกรณ์พวกนี้มันแยกส่วนกันไปแล้วเนี่ยความเป็นรถยนต์ไม่มีความเป็นรถยนต์ไม่มีมะยย น, มมนะแต่ว่าความเป็นรถยนต์เนี่ยตั้งอยู่ช่วระยะเวลาหนึ่งตามเหตุที่เหตุปัจจัยของมันคืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นมี ตรงนี้แหละคุณโยมดิเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาในที่นี้อนัตตานี่คือว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเอกเทศแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันรถยนต์มีอยู่ก็เพราะมีประตูมีเครื่องยนต์มาประกอบกันในลักษณะใดลัณะหนึ่งที่มันเป็นรถยนต์ขึ้นมาแต่ถ้ามันแยกส่วนกันไปแล้วความเป็นรถยนต์ไม่มีความที่มันมีเหตุปัจจัยแล้วมันประกอบกันอยู่ตรงเนี้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นอนัตตาค่ะ คือมันไม่ได้เป็นเอกเทศของมันค่ ะ, ะความคามจริงคำว่าอนาตตาเราได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ อ, อยู่แล้วแล้วก็มักจะมาคู่คกันกับคาว่าอัตตาใช่อัตตาแปล ว, ว่าตัวตนถูกต้องตัวตนคือสมมติถ้าเราบอกว่าเราจนเป็นอัตตาใช่มมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นของมันโดยที่ไม่ได้มีเหตุอะไรมาเกี่ยวข้องกับมันมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วจบ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเพราะมันต้องมีประตูมียางมีเหล็ก็เลยมาประกอบในลักษณะนี้เท่านั้นค่ะถ้าประกอบในลักษณะอื่นจะไม่ใช่รถยนต์ค่ะอนัตตาสมมติสมมตินะคะอัตตาแปลว่าตัวตนแปลว่าตัวตนของรถยนต์รถยนต์คือตัวตนสมมติ่เราไม่สามารถเรียกรถยนต์เป็นอัตตาได้ถูกไหมครับไม่สามารถใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันประกอบขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไงตรงนี้จึงเป็นอนัตตาสมมติถ้าถ้าสมมตินะ สมมติคุณยมตีว่าสมมตุมมติรถยนต์เป็นอัตตาค่ะรถยนต์ก็จะต้องไม่สามารถที่จะคลายความเป็นรถยนต์ได้มันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเราอยากให้มันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่แต่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอ่ะใช้ไปมันก็ต้องพังมันก็ต้องเปลี่ยนรูปรุ่นใหม่ออกมา น, นี่ก็กล่าวไปอย่างงี้ค่ะดังนั้นอนัตตาจึงแปลว่า ึไม่ใช่ตัวตนหมายถึงไม่ใช่ตัวตนของมันจริงๆถูกต้องมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาจากอันอื่นนะคะเพราะถ้าไม่ใช่ตัวตนเฉยๆเนี่ยอธิบายคำว่าน้าตาไม่ครไม่ครบใช่ค่ะมันมีอันอื่นเป็นเหตุของมันมามันจึงไม่ใช่ตัวตนของมันจริงๆเพราะมันมีอันอื่นควบคุมมันอยู่แล้วอันอื่นน่ะมันอะไรเราตามไปดูอ้าวสมมติเราเอาฉลอมาคุณเอาไม้ไผ่มาตัด นะทำเป็นตอกเป็นริมใช่ไหมแล้วคุณก็สารขึ้นมาในลนักษณะหนึ่งที่เป็นฉลอมฉลอมเนี่ยความเป็นฉลอมเนี่ยมันอยู่เฉพาะช่วงเวลาที่ไม้ไผ่มันสารกันอยู่นะแต่สมมุติคุณเอาไม้ไผ่สารออ ก, ออกๆปุ๊บฉลอมไม่มีค่ะฉลอมไม่มีนะแสดงว่าฉลอมเนี่ยเป็นอนัตตาเพราะอะไรมันอาศัยไม้ไผ่เกิดขึ้นอาศัยไม้ไผ่เกิดขึ้นสารกันในลนักษณะนี้เท่านั้นถึงเป็นฉลอมนะแล้วไอ้ไม้ไผ่เนี่ยจึงเป็นมันจึงเป็นตัวตนของความเป็นฉลอม ชลอมเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงๆแต่มันมีเหตุมันมาก่อนนั้นนั้นคือไม้ภผยอย่างนี้นะแล้วไอ้ไม้ไผ่เป็นตัวตนไหมเอามันเป็นอะไรมันถึงเป็นอนไผ่มาเอามันมีดินมันมีน้ํำมันเป็นพันธุไม้ไผ่เราก็ต้องสาวต่อใบสาวต่อใบล้วจะพบว่าสิ่งที่มาสร้างที่จะให้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอนัตตาเนี่ยนะเหตุของมันก็เป็นอนัตตามันกันนะขันห้าเนี่ยก็มาจากสิ่งที่ไม่ใช่ที่จะเป็น เป็นเรื่องเป็นราเป็นตัวตนของมันจริงๆได้แตถ้าสี่มาเป็นรูปไงมันก็ไม่ใช่ตัวตนงมันจริงๆอ่ะมันก็ปรุงแต่งมาจากอย่างอื่นน้ําภาษาล่ะภาษาก็ปรุงแต่งมาจากอย่างอื่นน้ํามภาพล่ะนารูปก็ปรุงแต่งมาจากอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างมาเป็นกันห้าได้เพราะฉะขันห้าเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นตัวตนได้เลยเพราะวัตถุดิบมันมาก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความไม่ตัวตนได้เนี่ยมันก็จะมาในรูปของความไม่เที่ยงนั่นเองค่ะนี่มันไม่เที่ยง มันจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนของมันจริงๆะค่ะอันนี้คือคือเรื่องขันห้านะเราอยู่กับมันนะเราอยู่กับมันค่ะเราต้องเข้าใจมันอย่างนี้อยู่กับมันแต่มันเป็นตัวตนที่ไม่จริงอถูกต้องมีปัจจัยปรุงแต่งของมันมาทําให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วควรจะทราบต่อไปอย่างไรอีกคะเรื่องขันห้าสิ่งใดที่ไม่ใช่ตัวตนของมันจริงๆไม่ใช่ของเรา นะสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ใช่ตัวตนงมันจริงๆเนี่ยนะเช่เป็นอนัตตาเนี่ยเราควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเพราะเราจะไปควบคุมมันไม่ได้นะเราจะไปควบคุมมันไม่ได้เช่นถ้าสีดินน้ําฟโนที่ประกอบประกอบกันเป็นกายนี้ถ้ า, เ, าเรารู้แล้วว่ามันเป็นอนัตตาเราจะไปควบคุมมันให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เลยเอาลองทําดูลองทําดูนวะคุณเอาอะไรที่จะมาทาให้มันไม่เหี่ยวไม่ย่นใช่ปะมันก็จะได้แป๊บหนึ่ง มันก็ไม่เกินสิบปีคุณเอาไปฉีดไปอะไรไปร้อยไหมไปทํำอะไรมันก็ได้แป๊บหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะให้มันอยู่ตลอดได้เพราะว่านั่นไม่ใช่เหตุปัจจัยของมันค่ะอ่ตรงนี้จึงเป็นความเป็นอนัตตาพอความเป็นอนัตตาแล้วเราเห็นอยู่ประจักษ์แล้วเราจะไปบังคับมันเนี่ยมันไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าตัวอย่างที่ท่านได้ยกมาเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าหลายคนเถียงเลยนะคะอา่าก็ไม่เป็นไรนี่อืม ร้อยเอาไว้ชั่วคราวใชใใ่ให้มันให้มันหายหย่อนยานชั่วคราวก็เอาช ว, าวจนกว่าจะต่อต้านธรรมชาติไม่ไหวอืมค่ะ <c oughs> ก, ก, ก็จุดนี้คือว่าชั่วคราวก็ได้แค่คชั่วคราวค่ ะ, ะความเป็นชั่วคราวนี้มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดนั่นคือความเป็นอนัตตาอยู่แล้วคำว่าชั่วคราวนี้คืออนัตตาแน่นอนค่ะน่ะอาเพราะฉะนั้นแสดว่าคุณยอมรับมันนะคุณยอมรับมันในระดับที่มันยังคงความเป็นชั่วคราวนั้นอยู่แต่ตอนที่มันจะ แตกไปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะยอมรับได้ไหมอันนี้ก็ต้องด้วยนะเพราะมันมาด้วยกันค่ะอะคือควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้แน่นอนใชค่ะควบคุมได้ระดับหนึ่งเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าว่าควบคุมไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอิทธิฤทธิหนึ่งใบอันนี้ก็เป็นเรื่องนัตติตาใบปฏิเสธหมดค่ะถ้าควบคุมได้หมดต้องควบคุมได้หมดนี่ก็เป็นอัตตาก็เป็นทิฏหนึ่งใบไม่ดีแต่ควบคุมได้บ้างได้บางเวลาได้ตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คืออนัตตา ถ<น>้าูดงนี้ถูกอยู่ลักษณะของอนัตตาเป็นแบบนี้<ช>ค่ ะ, ะเราทําความเข้าใจตรงนี้เพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่กับเราแน่นอนพอเราทำความเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะต้องทราบต่อไปว่าอ๋อมันเป็นอ น, นัตตาใช่ไหมแสดง<ช>ว่าเราจะไปยึดถือว่ามันเป็นตัวเราของเราไม่ได้เราจะไปบังคับควบคุมมันก็ได้ระดับหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเราควรจะละมันเสียสิ่งใดสิ่งนั้นที่เราละเสียแล้วอันนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเรา การลั ก, การวางตรงนี้ <c oughs> ก็คือไม่ใช่ว่าไปทําลายมันทิ้งแต่ว่าเป็นการคลายกําหนัดเป็นการคลายความเพลินเป็นการคลายความยึดถือในสิ่งนั้นเราต้องลัก <c oughs> ความยึดถือในสิ่งนั้นลักความยึดถือในขันห้านั่นเอง <c oughs> อันนี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะก่อนที่เราจะละคุณบอกว่าไวางกันหนะ้าไปวางกันหนะ้า <c oughs> เดี๋ยวเ ด, วเดวคุณไหวไปหรเปล่าแต่ก่กว่าคุณจะวางได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจมันก่อนนะว่า มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปควบคุมมันได้ตลอดเอาจะเข้าใจตรงนี้ได้คุณต้องเห็นมันเป็นอนัตตานะจะเห็นมันเป็นอนัตตาได้คุณต้องเห็นมันไม่เที่ยงนะจะเข้าใจตรงความไม่เที่ยงได้จิตคุณต้องเป็นสมาธินะอ๋อมันเป็นระดับขั้นมานะค่ะอ่าเป็นอย่างนี้ค่ะนี่วันนี้นี่ท่านไปบุญกําลังยกเรื่องโลกมาให้เลยสิคะเพาท่านบอกว่าทั้นหมดเนี่ยยกทุ่มให้เลยล่ะทุ่มให้ <laughs> <laughs> มากกว่าโลกนี้ เป็นโลกอื่นนี่เป็นขันห้าด้วยไหมคะ่าถูกต้องสามโลกเลยนะทั้งการเมโลโกรูปะโลกอรลลูปะโลกเนี่ยเป็นขันห้าทั้งสิน้นยกเว้นอัลูปะโลกนิดนึงนะมันจะมันจะมีแค่สี่ขันก่อนที่จะไปถึงนั้นเราก็ทําความเข้าใจโลกของเรานี่แหละในะโลกของเราใบนี้แหละเนี่ยที่เราต้องทําความเข้าใจว่ามันมีขันห้าอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียฟังแล้วนะี่ไปคิดไปใคร้ครวนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านไปบูรณ์พูดในเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ครอบคลุมไปทุกสรรพสิ่ง พูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมจู่ต้องถู่ตองนะคะครอบคลุมในเรื่องที่คนกลัวแต่มันเป็นเรื่องจริงก็คือว่าทุกขท่านบอกว่าพระพุธองตรัดขันห้าคือทุกทุกคือขันห้าใช่นะคะทุกมารวมกันในขันห้าทั้งสิ้นถูกต้องดังนั้นวันนี้เราได้รู้จักกับเจ้าตัวต้นเหตุของความทุกอย่างไหมคะถูกต้องออต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหา วันนี้เราทําความเข้าใจเรื่องความทุกข์ตอนนั้นเองแล้ ừ, ก็แตะๆนิดนึงตรงอุปทานความยึดถือแต่ว่าความยึดถือเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับอะไรได้หรอก น, นอกจากเกิดขึ้นในขันห้าเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราเร า, เราเจอจุดที่เราจะละความยึดถือได้แล้วค่ะนั่นคือตรงขันห้านั่นเองเราทําความเข้าใจให้ดีพิจารณาให้แจ่มแจ้งเห็นตามที่เป็นจริงให้ได้เราจะละความยึดถือในขันห้านี้ได้นั้นจะเป็นความสุขของเราใช ค, ค่ะค่ะ ส่วนถ้าหากยังไม่เข้าใจอย่างไรฟังไปเรื่อยๆเอาไปใคร่ครวนเรื่อยๆเดี๋ยวเชื่อว่าแล้วท่านจะถึงแก่ความสว่างว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจู่ๆเมื่อเรารู้จักขันห้าเท่านั้นเราก็รู้จักโลกทั้งโลกขึ้นมาได้โดยพลันเจริญบานนะคะก็นมัสการขอบพระคุณท่านไปบนเป็นอย่างยิ่งค่ะนมัสกา ร, ค, ากรค่ะเจริญบานพลันที่เคารพค่ะถ้า ฟังไปแล้วดฉันเชื่อว่าทุกคนจะเกิดความรู้สึกคล้ายๆกันเี่ ก, ก็สนุกดีเหมือนกันนะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าทุกเรื่องเนี่ยรวมแล้วอยู่ในขันห้าทั้งหมดอ่ะแล้วก็ลองคิดซิว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ในขันห้าจริงหรือไม่นะคะก็จะมีโจทย์มาให้เราได้ตีความทุกวันจนวันหนึ่งนี้เลิกตีแล้วเริ่มรู้สึกว่าใช่จริงๆด้วยอ๋อมันเป็นความ เป็นอนัตตานะคะไม่เที่ยงไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วถ้าไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงเช่นนี้เท่ากับว่าเราควบคุมไม่ได้ในระดับหนึ่งเราก็ควรที่จะละเสียจะเป็นประโยชน์กับตัวเราละอะไรคือละกำมัดคลายความเพลินความยึดถือในสิ่งนั้นทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะติดตามรับฟังรายการสัมมนาสนทนากันได้ใหม่ ในส่วนที่ที่ฉันกราบเรียนสนทนากับพระมหาภาัยบุญอภิปุโนก็จะเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ